เป็นแสนแสนชาติเวลาสงแขกกับโมทนายก็สามีตลอดเวลาแต่การั้งใจทำบนเองไม่มีเมื่อเวลาสามีไปละหันตัวเองก็เป็นด้วยอย่างพระนางพิมพากันล่ะใช่จำได้มป็นรร<ช>ังนี้เป็นนางพิมพาก็เป<ล>็นคนเวทดุลมะนุปุริยาเนี่ยลองเล่าฟังหน่อยดีอ่าคือพระนางพิมพาเนี่ความจริงแล้วไม่น่าจะได้เป็นพระอนางวิจุดีแต่ด้วยเห็นสามีทําดี แล้วก็พรอยยินดีกับสามีด้วยโดยที่พยายามเมื่อสละโลกโลกออกก็พระราหุนก็ไปเป็นพระอรหันต์พระนางพิมพาก็ออกบรรพชาเป็นนางมิจุนีเมื่อเป็นนางมิจุนีก็ตั้งใจดำเนิน้อยตามอย่างทีสามีทุกกระเบียดนิ้วผลอานิสงส์ที่ได้เคยสั่งสมอบรมมา ตั้งแต่หนึ่งปีถึงหน้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีก็ดีของพระนางพิมพาที่ได้ติดได้ตั้งสมบูรลมมาก็พาให้พระนางพิมพานี่พระคุณเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เนียกว่าเป็นนางพิจุมีในสมัยเนี่ยสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณเจ้าค่ะนี่เรียกว่าปฏาธิโมชนามใัย ก็ควรจะเป็นกติสอนใจท่านบรรดาญาตโยมพู้ต่อิษัทพันธ์ฟังเทศว่าคนณโยมห้อยเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าเราใช่ไหมท่านอาจารย์ครูใช่เรามีหนังโยมห้อยก็มีหนังใช่โยมห้อยมีเนื้อเราก็มีเนื้อโยมห้อยมีผมเราก็มีผมมีไฟก็มีเหมือนกันทุกอย่างก็าเรียกว่ามีขันห้าเท่ากันเท่ากันใช่แต่ว่าคุณโยมห้อยทําความดีอย่างนี้ได้ท่าบรรดาญาโยมทั้งหลายจะทํามั่งมีใครห้ามไหม ไม่มีใครเขามาห้ามแล้วลืะนต้องว่าตัวจะห้ามตัวเองเท่นนานั้นแหละส <c oughs> ําคัญอหะอรหันสองทางเนะยใช่อะไรหันอะไโดยพระทวยชดเลยนะแทนแทนตัวจะห้ามคนนี้เท่านั้นแหละ <c oughs> ออสำคัญจริงรอ่ะสำคัญจิตคนประคุณเจ้าอาช่ครับครับคนทุกคนผมมานั่งพิจารณาดูแลที่นั่งดูในตาราดนี่แหละรชบครับขึ้นชื่อว่าบาปไม่มีใครต้องการคุณเจ้า บาปนี่ก็มปชั่วใช่ของมันฝ่ายชั่ว<อ>ขึ้นชื่อว่าบุญต้องการทังนัดต้องการหมดและขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับต้องการเป็นคนรวยท่งนั้นัดและขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องกา ร, ต, การต้องการเป็นคนฉลาดทั้งนัอ้อแต่ทั้งสามประการนี้ประคุณเจ้าน่าสงสารหมู่สัตว์ทไมาเลยเาะเขานั่งเขานอน เขายืนเขาเดินอยู่กับตัวตันหาหลอปลอดหลงเขาเกลี้ยกล่องมันได้ยังไงก็ไม่รู้กนเลยเชือ่อแม่แม่ตันหาได้จนเสียคู่เสียคนนแก่ก่อน็ดูอาจารย์ตั้หาก็ได้ไรู berry, ้อะไรเด้วยวแกตั้งหน้เป็นไงเป็นไงนะแล้วก็เสียคนมาล่อแก่แกตัวเองไม่โนีนโ่จะจะเวลาที่แกไ็นเทวดาแล้วนะ แล้วนม่นะครับเทวานางขวดนําังไม่ใช่ไม่ใช่มีเทวนาควดเทวนาเสียงครับเรืออเออที่มานี้ม่ยังพันเจนคือทุนน่าตลอดเลยอ่าแล้วพวกเดียวโพราะตัวเชลยบุตรนี่จะบอกไปไงไปไงนี่ทายกวัดเออผมไม่นึกเลยว่าทายกวัดเขาจะดันไปนรกเออไปไงไปไงผมไม่นึก ผมนึกว่าเขาเป็นผู้นําของวัดทายการทายกะร์เขาแปลว่าผู้ให้ใช่ไหมล่ะผมไม่นึกแต่ว่าอินสจันแกงให้ดันเป็นเป็นเป็นเป็ดไปได้ไหมจะเล่าให้ฟังเล่าจะเลาให้ฟังเพรก็ท่านหลายําไว้เลยนะําไม้ดีแต่ว่าไม่บอกวัดนะวัดไหนนะไม่จะไม่ต้อบอกสิมันบอกก็ได้เดี๋ยวคุณจะด่าแม่เอาเรากลัวเขาเหมือนกันนนี่วัดนั้นนะ มีรายได้ดีจ่ไปเล่าแล้วก็นี่ก็ลุงพ่อวัดนั่นะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดโบโจอดไอ้ที่มันเก่าวิหารมันเก่าอยากจะทำให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกกัศจอาจารย์นายจันเลยนาวัดเราก็มีหลายทุ่งมึงไปให้เขาเช่าแล้วก็สามส่วนชัดส่วนนะ เราเอาส่วนเดียวอีสองส่วนให้คนทำมันนาของเราดีๆทั้งนั้นแหละนะแล้วก็เงินในที่อ่ะกูบอกเคยที่เขามาทำเงินกูจะซ่อมอ่ะอูบอลจอดตั้งซ่อมพิหารมึงเนี้ยมึงเอาไปเก็บไปนายายไปหายถุอนไม่ได้ทางเอาก็มือนะกรรมการม่ก็ลงเกยหมดเลยใีนี้แต่กันอีกขั้นแรกเงินมันก็แค่ อันเรียกว่าหมื่นสองหมืนมันก็น้อยนะอันนี้พอเงินมันมันได้เป็นสองเป็นสามหมื่นสี่มืนทีแต่จันก็เลยเอาเงินของของวัดหนักไปออกดอกแล้วก็คุณเจ้าออกแล้วออกแล้วเพิ่มกุศลการที่แบบเรียกว่าไปให้คนโคกุแล้วก็ปิดปากให้คนโค้งมึงจะบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้าบอกใครรู้ไม่ได้น่ะเหมือรกูเลิกกันไม่ใช่ดอกเบี้ยให้วัดหรือไม่ดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าอ๋อ แล้วก็ผนที่โจดหนาก็เฮ้ยมึงต้องแหม่งขึ้นนะหนานเนี่ย<อ>มุพ่อบอกเอาสามส่วนชักสวยแล้<อ>มึงต้องให้กูส่วนห<อ>นึ่งใา้พัอส่วนมึงเอาสองส่วน น, น่แบ่งมันสีส่วนไปเลยใช่ไหม อ, อัลบั้มอีกคนนี้ก็แค่มีลูกสาวคู่สองคนสวยจะด้วยสิครับนะครับ อีกคผมเห็นลูกหลางสวยลูกสาวสองคนนะแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะพวมาอยู่มาในกี่ปีลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลุงพ่อแกเป็นลูกชายนี่แกก็บวชให้ใช่ไหมแ้วก็อิแต่กันเขาก็บวชลูกเขาพี่นั้นเขามีเรียกว่ามีหนังมีรีเกละครกันลึ่มล่ังทายกนี่ รวยคนรวยเมื่คนที่ตุดเมื่อก่อนนี้ก็นคนเช้าตามนี้เขารู้กันกงนะเดือนที่เอ็ดเดือนที่สองนะเขาทอดกระถิงแล้วก็ทอดผ่าฟ้าแล้วเ็ามีการแข่งเรือกันใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่ก็ข้าวผม่งมันเข้าเหลืองฝนมันก็ตก ลำมังลำพังลังเดือนสิเอ็ดแหลมๆนะข้ามันออกข้าวเบานะครไงแล้วก็อไอ้ลูกชายพอออกพรรษาแล้วนี่ลูกชายก็สึกสึกก็บอกให้ลูกชายแล้วมาเปี่ยหนกที่ไปไอ้หนกนกมันกินข้ า, าแวแต่เจ้าลูกชายตายหนกว่าผ่าลูกชายตายพระคุณเจ้าอแล้วอ้าวลูกชายตายขึ้นนี่ มาเ ย, ยหอมเมียไปจืดแต่เ ย, ย, อเ ย, ยหอมเนี่เก็เราเสีย อ, อกเสี<อ>ยใจีมันเปนรืงจันหอมเนี่ยเนียัวถั่วชจันไปเยหอมงานที่ถัววชื่ตจันมีชื่อเยหอมอ๋อเรียกว่าเรว่าจันหอมนั่นงานเป็นจันหอมเนี่ยแล้วผลในสุดเ ย, ย่หอมก็ลมไม่ดีครับช่เสียใลูกตายลูกศ<อ>ึกใหม่ๆว่จะขอลูกสาวเขาบันบั้นใจสักหน่อยเลยไม่ได้แล้วผลในสุดเก็เหลือว่างค่นี้ แล้วเพราะน้ตัวก็เหลือไม่กี่วันเพราะเผาลูกชายไปแล้วเป็นม่แจ่มไม่กี่วันเพราะเขาก็ไปแข่งกระเรือทอดกับสิ่งกันเธอพอฝากระด้วยลูกสาวก็บอกกับแม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไม่แข่งเรือกับเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวซะก็ไอเหลือลําอื่นเขาไม่ล่อมไปล่มอีลํานั้นแหลกลูกเจ้าลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายตายหมดทั้งคู่เล ย, ยเอา้าวตายหมดทั้งคู่ทําไงคันี้ กลับมาใหญ่ใหญ ห, หอมไม่กินข้าวแท้แนส่สิที่ตอนเผาลูกสาวทั้งคู่นี่เยวะหอมฉันไม่อยากกินขา้าวเลยทับเพอทับคลั่งเหมือนแท้ทแ่สิตาจันก็พยายามพูดเทียมๆเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมีย ก, ก, ก็ไม่ยอมเชื่อแล้วผนที่จุด่าจันก็หัวมากคุยกับลุงพ่อมัง่งว่างไปเพื่อให้อารมณ์ไม่ดีๆขอคําแนะนําจากลุงพ่อ คุณพ่อเขแนะนําไปดีแล้วพ้นได้ตุดประจันเถอะไปหน่อยทําไมครับยัหอมผูกคอตายพี่อีกแล้วนั่นยังไงอะนี่หมดแล้วสี่คนอ่าแม่เราได้เล่นปลายเผาก่อนไม่ได้ตุนเผาคราวนี้เหลือตาจันคนเดียวครับครัับเหลือตาจันเอาเหลือตาจันคนเดียวทําไงเลยคุณเจ้ารู้ไหมไย่รู้ทีปตาจันก็ความก็แดงอสิอ๋อ ไอที่แกทำความลับอะไรไว้ต่างๆ น, นานาของวัดเรื่องเงินของวัดก็เอาไปให้คนนั้นกู้คนนี้กู้ไอพวกนั้นนั้นก็มาบอกกันสิว่าลุงพ่อเงินของวัดที่ไออาจารย์ไปเก็บไว้น่นนะ ให้คนนั้นกู้ไปฉะนั้นคนนี้กูไปนี่คนนีูที่ก็แดงงาลุงพ่อให้สามส่วนประจันมันก็เอาทศส่วนหนึงง่ง แ, แดงแล้วครับคับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วรับที่โลกยังแดงแล้วใช่ความลับในโลกไม่มีแล้วละ่ะแล้วผลที่สรวจระคนเจ้าอประจันอยู่วัดไม่ได้ทำไมเลยครับคิดถึงโลกคิดถึงเมียพูดเพ้อพูดคลั่งก็ไม่อยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราวัดเพราะลุงพ่อแกมันอยู่ ติดกันแม่นาเจ้าพญาครับครับเออนะติดอยู่กันแม่นามเจ้าพญาดีใช่ไ้มล่ะเออครนี้ก็ก็มาอยู่อิสราอกแตกมาอยู่นั่นครนี้พวกหลานหลานไอพวกพี่ๆน้องๆลูกลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวมาให้กินเดิมทีเด็กแกก็กินหนักก็แกบอกว่าก่อไปนี้มึงไม่ต้องให้กูนะแล้วเข้าวัด ที่หลวงพ่อให้กูกูวงไม่กินก็ถช้ามาเป็นไงลงไม่กินอะ่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษ ฐ, ฐกิจนี่นะเราต้องบัญหยักเศรษ ฐ, ฐ, ฐกิจแกวักกนะันโอ้ก็ ข, ขี้ในตัวเรามันมีถถงไปแล้ว<อ>เราไม่ต้องไปไปกินมันใหม่แล้วพอเอันี้ทําถูกเลยเนี่ยอาถูกนี่ไปจันท์แกทํำก็ถู ก, ถกอา้าวแต่นี่พอแกขี้ง่ายขึ้นมาแกก็กินขี้ง่ายเลยเนี่ย พุกนี้ขี้อีกแกก็กิน อ, อ, อีกแกเอไม่ต้องหาใหม่ใช่แกบอกว่าปัญหานี่ปัญญักเฉดสถิตได้ดีเออแล้วผลที่สุดใต่จานแกกินขี้หนักเข้าคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> เวลาเราเราตีสอง <c oughs> ปีสามตีสี่สามชั่วโมงเนี่ยนะฮะ <c oughs> แกจะลองลองไหไลองโอ้ยมึงยาตีกู มึงจะแทงกูแม็มึงจะตีหัวกูทําไมมึงจะแทงหัวใจกูทําไมรอให้เขาชาวบ้านเขาช่วยอชาวบ้านเขาก็มาดูแพลก็มาดูไม่มีอะไรคแทนได้ละจันทรย์แกลองคนเดียวเขาก็เอเขาก็ไม่รู้แปลกใจกันยังไงขณะนี้เขาก็กลับบ้านแกก็ลองอยู่งั้นลองอยู่งั้นไม่ถึงเจ็ดวันนะพระคุณเจ้า ขาดใจตายอันนี้ความอันนี้ก็แกความชั่วของแกที่ทำไว้น ะ, อะโอ้โหอีกคนนี้ไม่ต้องประกาศตั้งซื้อพิมพ์เลยไทยรัดเดลีนิวไม่ต้องพูดถึงให้แต่หลอกบานหมดก็มันจึงกรงหลักโบราณเขาบอกว่าความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากออกินปูนมากลอนทองไม่ต้องแหน่ง สีเดิมดำแล้วจะทำเป็นสีแดงพระอินแปลงเขาก็รู้ว่าพระอินลออไม่เก่งเลยอ้าวไปเก่งจะปไพึ่งนี่ไพึ่งใครมาพูดเนี่ยใาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮุ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าาา่าาาา อานานเทศนาวัษาเนในการเป็นจี่จุดอาวาัฏานของการเขาจะเทศนาณโอกาสวันนี้เป็นการเทศฉลองแจ้งอธเรีเรกว่าฉลองศพของยอมห้อยบุญญานน่ยนะท่านทั้งหลายขอเตือนกิจจกิจใจท่านไว้นิดหนึ่งท่านทำอะไรกันก็ทำได้ ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องด้วยการทุกท่านขอให้ท่านทาแต่ดีเข้าไว้อย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทำมาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทำดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พน้นทำไมหนีไม่พน้นเพราะมันเป็นกฎธรรมราชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราจำเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากตายนะเราจำเป็นต้องตายแค่ตายวันนั้นเธอพูด ง, ง่ายๆแหลงท่า น, นนะเอาละท่านทั้งหลายบุญพระราอาิสงส์ใดที่เรียกว่ามีมนต์พระไปที่ไหนพระ่านกวา่ันว่าอธิวาธนาสีลิธนิจยัง พุทธาปัยโนจัตตาโลธรรมวัันิอายุวันโนสุขันพลังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านพุทธรีษัตทั้งหลายคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหวบูชาสักการะเคารพต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้บุคคลเช่นนี้จะได้รับพรสี่ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุยืนเช่นเจ็ดสิบห้าปีก็อายุไขยอย่างยมห้อยนี่กว่าเกินได้กำไรนะแล้วก็วันลนะ ผิวพรรณก็ผ่องใสไม่เก่าหมองสุขะความสุขายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตอยู่และพละกกำลังกายก็สามารถประกอบกิจการงา น, านเลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์กำลังปัญญาก็สามารถเฉียวฉลาดรู้แจ้งแทนตลอด ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้และกําลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทาบุญกับเขาได้ทุกคนทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทั้งชายและหญิงเทิน